ธรรมะของธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยนะเรื่องเหตุเรื่องผลศึกษาให้เข้าใจคำว่าบังเอิญไม่มีนะคำว่าโชคดีโชคร้ายไม่มีทุกอย่างเป็นไปนตามเหตุทำเหตุไว้ยังไงก็ผลก็เป็นอย่างนั้นพอดีพอดีกันถ้าเราอยากผลนทุกเราก็ต้องทำ เหตุให้ผลทุกข์เราอยากมีความทุกข์เราก็ทําเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดละเหตุของความทุกข์ก็คือตัวสมุทยัยตัวตัณหาเหตุของความพ้นทุกข์ก็คือการเจริญมรรคเรามีทางเลือกนะครั้งหนึ่งเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนได้แต่เรื่องดีๆละมั่งเรื่องที่ไม่ดีท่านสอนไม่เป็นอย่างเนี้ ท่านบอกว่าท่านก็รู้นะเรื่องที่ไม่ดีท่านก็สอนได้ให้ขี้เกียจเนี่ยให้เป็นชู้กับเมียคนอื่นอะไรเนี้ย น, นะแล้วชีวิตจะย่ำแย่อะไรอย่างนี้ท่านยกตัวอย่างแต่คนนั้นก็แปลกนะมาถามว่าอะไรมันไม่ดีมั้งทำยังไงมันไม่ดีท่านแจกแจงให้ฟังเลยนับถือท่านท่านสอนเรื่องดีๆไม่เอานะคนนี้ประหลาดสอนของไม่ดีแล้วเอา ถ้าเราอยากพ้นทุกเราก็ต้องทำเหตุของความพ้นทุกนะคือการเจริญมรรคมีอง์แปย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาเราอยากมีความทุกข์เรื่อยๆไปเราก็ทาเหตุของทุกข์คือพยายามอยากเข้าไว้ความอยากมีหลายแบบแต่ความอยากทั้งหมดนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เวลามีความอยากเกิดขึ้นจิตมันจะดิน้นจิตมันดิ้นรนตรุงแต่งตอนที่จิตมันดิ้นรนตรงแต่งนี่มันจะเกิดอาการหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมขึ้นมาเอามาถือไว้เอามากอดไว้ก็ไปยึดเอากายอเอาใจขึ้นมายึดถือเอาไว้ตัวกายตัวใจนั้นเป็นตัวทุกตัวรูปนามขันห้าเป็นตัวทุก เราไปหยิบมันขึ้นมานะความทุกข์ก็เลยเข้ามาถึงใจถ้าไม่หยิบขึ้นมานะก็ขันมันก็เป็นทุกข์ของขันไปมาไม่ถึงใจไปหยิบมานะเพราะใจมันมีความอยากมีความยึดถือความอยากก็เป็นโลภะนะที่มีกำลังแรงถ้าแรงมากๆกลายเป็นอุปาทานความยึดถือ องค์ธรรมของตัณหากับองค์ธรรมของอุปาทานนั้นอันเดียวกันนะคือตัวโลภะแต่โลภะที่เข้าขั้นยึดถือเนี่ยมันรุนแรงมันรุนแรงมากนะไปยึดถือก็จะไปกวาเข้ามากว่าเอารูปธรรนามธรรมม า, มานะจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งไปตัวความปรุงแต่งก็คือตัวเจตนาของจิตตัณหามีหลายอันนะบางทีเขาก็แยกท่านแยกไว้ กำมาตัณหาความอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้พบอย่างโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์จะมีภาวะตัณหาอยู่โดยพื้นๆเลยมนุษย์ทั้งหลายองี้คือตายไปแล้วอยากเป็นคนอีกเกิดมาในภพในภูมิใดนะ ชอบอย่างนั้นอ่ะมันาะซ้ำ ๆ, ๆๆมีภาวะตัณหาเกิดมาในกรรมอาภูมิกรรมอาภพก็ชอบที่จะอยู่ในกรรมไม่อยากพ้นจากกรรมพวกเกิดมาในรูปอาภพอรูปภพเไม่อยากมาอยู่กรรมาภพอะไรเงี้ยป็นติดติดอยู่ในภพในภูมิของตัวเอง ความอยากมีอยากเป็นอยางอมตะอย่างพวกเราเกิดมาเป็นมนุษยนะ์เราพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วเราอยากให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยยืนยาวไปเรื่อยๆตายแล้วก็เป็นมนุษย์อีกหนึ่งนะัให้มันอมตะหรือไม่ตายได้ดีที่สุดกรรมกรมตัณหานะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส ภวตัณหานะพอใจในภพในความมีในความเป็นอยากมีอยากเป็นนิรันดรมันจะเป็นพวกมิชาทิฏฐิพวกหนึ่งนะเรื่องสะสะติติทิคิดว่ามันเที่ยงอีกพวกหนึ่งนะั้นตัณหาอีกชนิดหนึ่งเรื่องวิภาวะตัณหามันไม่ชอบในภพอันนี้ละเพราะภพอันนี้มีความทุกข์ ถ้าไม่มีความทุกข์มากระทบกระทั่งนะก็จะพอใจอยากอยู่ในภพนี้เรื่อยๆไปเนี่รสันรกนะี่มันไม่อยากอยู่ในภพนี้อยากพ้นไปจากภพนี้เรยเป็นคนมีความทุกข์มากก็ไม่อยากเป็นคนแล้วอยากตายบางคนอธิษฐานตายแล้วขอไปเกิดเป็นหมาฝรั่งมีนะมันเป็นหมาฝรั่งสบายถึงเวลาก็มีคนเอาอาหารมาให้กินอาหารก็อย่างดีนะ ถึงเวลาก็อาบน้ำให้พาไปตัดผมแต่งตัวเสริมสวยอะไรนี้คนะ่าตัดผมหมาแพงกว่าผมคนอีกนะนะมีบริการอาบน้ำหมาด้วยนะเียนี้บางคนเลยไม่อยากเป็นคนอยากเป็นหมาเพราะว่ามีความทุกข์ตรงที่อยากพ้นไปจากภพอันเดิมนี่แหละเรียกว่ามีวิภาวะตัณหา อยากศู์ไปจากวพอันนี้มันยิงอยู่กับมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งนะชื่ออุเฉททิฏฐิอยากขาดอยากศูน์ไปไม่อยากมีอย่างนี้อีกตัณหามก็โยงเข้ากับทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินี่สำหรับพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเรามีสติอยู่กับปัจจุบันตัณหาที่เราดูนะเราไม่ได้ดูว่าเป็นการมตตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหา การมาตัณหาเพราะว่าตัณหามเาว่าตัณหาเนี่ยเอามาปฏิบัติลำบากเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราดูตัณหาหกอย่างไม่ใช่ตัณหาสามอย่างตัณหาหกอย่างก็คือรูปปตัตนหาความอยากเห็นรูปความอยากได้ยินเสียงความอยากได้กลิ่นความอยากได้รสความอยากได้สัมผัสความอยากจะคิดนึกปรุงแต่งไดอารมณ์ทางใจ ความอยากเห็นรูปเรียรูปตัณหาอยากได้ยินเสียงเรียสัตตัตันหาอยากได้กลิน่นเรียคันทัตันหารสตันห า, นหาความอยากทางใจเรียกว่าธรรมตันหาเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปดูว่าตอนนี้เป็นกรรมตันหาหรือว่าภาวะตันหาหรือรวิภาวะตันหาไม่ต้องไปดูตัวนั้นนะเราดูว่าตอนนี้มันอยากเห็นรูปให้รู้ทัน มันอยากได้ยินเสียงให้รู้ทันมันอยากได้กลิ่นให้รู้ทันมันอยากได้รสให้รู้ทันมันอยากได้สัมผัสให้รู้ทันนะมันอยากสนุกสนานคิดนึกทางใจให้รู้ทันหรือมันไม่อยากก็รู้ทันไม่อยากก็คืออยากอยากให้หายไปอยากให้รูปอันนี้หายไปรู้ทันอยากให้เสียงอันนี้หายไปรู้ทันอยากให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสนี้หายรู้ทันอยากให้ธรรมารมณ์ภายในใจหายไปรู้ทัน ความอยากเหล่านี้แหละเป็นความอยากเป็นตัวตัญหาที่เราจะเอามาใช้ดูเอานะในขั้นลงมือปฏิบัติใจของเราจะมีความหิวตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้อารมณ์ทางใจใจเราจะหิวตลอดเวลาใครเคยเห็นใจมันหิวอารมณ์ไหมมันหิวในรูปเสียงกลิ่นรสพทธภพธรมารม ใจใมีความหิวเกิดขึ้นใจจะดินน้นรนร่างกายของพวกเราเนี่ยหิววันหนึ่งสองสามครั้งหรือสี่ครั้งอย่างมากห้าครั้งไม่เกินหรอกหิวอะไรนักหนาวันหนึ่งหิวไม่กี่ครั้งนะแต่ใจเราเนี่ยหิวหนาทีหนึ่งหลายครั้งร่างกายเนี่ยหิววันหนึ่งไม่กี่ครั้งหรอกแต่ใจนะนาทีหนึ่งเนะี่ยหิวเยอะแยะเลยหิวตลอดเวลาเลย พอเกิดความหิวทางใจขึ้นมามีตัณหาทางใจขึ้นมาก็จะต้องดิ้นรนตอบสนองมันถ้าตอบสนองมันได้นะตัณหาซึ่งเป็นเจ้าหนายวงการชีวิตเรามันจะให้รางวัล น, นิดหนึ่งจะโยนความสุขเล็กๆมาให้อันนึงอย่างเราได้สิ่งที่อยากได้รู้สึกไม่มีความสุขแต่ความสุข น, นั้นสั้นนิดเดียวใจจะหิวอันอื่นต่อไปอีกแล้วพอได้อย่างนี้มาปุ๊บใจจะหิวอันอื่นต่อทันทีเลย ใครเคยหิวพร้อมๆกันอลไยอย่างไหมมีไหมไปดูให้ดีหิวก็หิวทีละอย่างเราไปตรึกในเรื่องนี้นั้นก็ไปหิวอันนี้ไปตรึกอันนี้ก็ไปหิวอันนี้นะใจที่มีความหิวมันก็ทำให้มันดิน้นะมันก็หาความสุขหาความสงบไม่ได้ทำไงมันจะเลิกหิวนะเราก็มาเจริญสติคอยรู้ทัน ความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันอยากเห็นรูปรู้ทันอยากไม่เห็นรูปรู้ทันอยากได้ยินเสียงรู้ทันอยากไม่ได้ยินเสียงรู้ทันอย่างใครเคยนอนนอนหลับอยู่ถ้าบ้านไม่ได้ติดแด น, นะหมาข้างบ้านเห่าอย่างี้นนะอยากให้มันหยุดเห่าไหมอยากนะที่อยากเอาอะไรอุดปากมันซื้อด้วยถ้ามันไม่หยุดบานะทีโกรธเจ้าของหม า, าไม่รู้จัก ตื่นมาห้ามหมาโถหมามีปากเนี่ยเราอยากให้เสียงนี้หายไปอยากให้มีหรือก็อยากให้หายไปก็ได้นะอยากให้มีอยากให้เป็นอยากให้หายอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมทางใจพอมีสติรู้ทันตัวอยากเนี่ยมันเป็นตัวตันหานะตัวอยากเนี่ยมันเป็นโลภะบอกแล้วว่ามันเป็นโลภะ ตัณหาอุปาทานเป็นตะกูลโลภะโลภะเป็นกิเลสเมื่อไราสติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับเมื่อไราสติดับเมื่อนั้นกิเลสก็พร้อมจะเกิดแต่ไม่เกิดบางจิตบางดวงไม่มีสตินะแต่ไม่ได้มีกิเลสจิตมีสามชนิดจิตที่เป็นกุศล ท, ท, ทุกดวงเลย ท, ทุกประเภทเลยมีสติจิตที่เป็นอ ก, กุศลไม่มีสติ มันมีจิตอีกชนิดหนึ่งไม่เป็นอกุศลไม่เป็นกุศลเรียกวิบากจิตอย่างจิตที่ไปรู้รูปจิตที่ไปได้ยินเสียงในขณะที่ตาเห็นรูปยังไม่มีการให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีอะไรต่ออะไรนะจิตดวงนั้นไม่เป็นกิเลสเป็นเครียกว่าเป็นวิบากจิตเฉยๆมีผลกรรมก็ทําให้ได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสอะไรพวกนี้ แต่ว่าถ้าเมื่อไรมีสตินะเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลทันทีเมื่อไหร่ขาดสติจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลอาจจะเป็นอกุศลจิตก็ได้เป็นวิบากจิตก็ได้วิบากจิตไม่ดีไม่ชัวร์พวกเรามีทุกคนวิบากจิตพระอรหันต์ก็มีวิบากจิตจิตที่ไปเห็นรูปจิตที่ไปได้ยินเสียงจิตที่ไปได้กลิ่นจิตจิตที่ไปได้รสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายนี่เป็นวิบากจิตทั้งหมดเลย เซงเข็ยไหตอนที่ยุงกัดสมมติยุงกัดเราข้างแรกเรารู้สึกรู้สึกขึ้นที่ผิวหนังนะยังไม่รู้เลยว่าเจ็บหรือว่าอะไรที่มากระทบตัวนั้นนะมันเป็นวิบากจิตเราสัญญาเข้าไปแปลนะจิตมันไปพิจารณาอารมณ์เป็นจิตอีกตัวหนึ่งแล้วนะสัญญาเข้าไปแปลนะว่าเฮ้ยยุงกัดเจ็บเนะี่ยุงกัดเจ็บเนะเกิดจิตที่เป็นอกุศลแลเกลียดยุงขึ้นมาจะตีมันให้ตายนะตัวนั้นจายเป็นอกุศลไป ในก่อนที่จิตอกุศลเกิดนะบางทีมีจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเกิดขึ้นมีวิบากจิตเกิดขึ้นพระอรหันต์เหลือจิตสองชนิดนะเหลือวิบากจิตกับจิตที่เป็นกุศลแต่จิตที่เป็นกุศลท่านไม่เรียกว่าเป็นกุศลเพราะจิตท่านไม่เสพกุศลก็เลยเรียกชื่อใหม่ว่ากิริยาจิตสักว่าสักว่าเป็นจิตที่สักว่าอย่างพวกเราก็จะ มีจิตที่เป็นกุศลบ้างจิตที่เป็นอกุศลบ้างจิตที่เป็นไม่บากบ้างในจิตเขามีหลายอย่างนะนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่าความอยากเกิดขึ้นอยากดูหนังความอยากดูหนังเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันปุ๊บทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับความอยากจะดับทันทีแต่เมื่ อ, อไรขาดสตินะความอยากก็กลับมาใหม่ไปึกใหม่กลับมาใหม่ เคยมีคนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนานนักหนานละนะบอกว่าไปที่ศูนย์การค้าไปเห็นหมวกใบหนึ่งอยากได้อยากได้รวยอยากได้ความอยากดับนะแล้วเผลอขาดสติขาดสติไปพักใหญ่เลยนะหมวกมาถึงบ้านแล้วตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลยเนะงั้นการที่จะละตัณหาด้วยสติเนี่ยละได้ชั่วคราวเพราะสติเองไม่เที่ยง สติเองมันไม่เที่ยงประเดี๋ยวพอขาดสตินะจิตก็ไปตรึกในสิ่งที่อยากนะั่นเองตรึกถึงรูปอันนั้นนะตรึกถึงเสียงตรึกถึงกลิ่นตรึกตึกถึงรสตรึกถึงสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มาสัมผัสร่างกายตรึกถึงเรื่องราวทางใจมีความตรึกตัวนี้ขึ้นมานะความอยากมันก็ามาอีกละดังนั้นการที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตที่มีความอยากมีตัณหาเนี่ย มันดับด้วยชั่วคราวเดี๋ยวมันมาใหม่วิธีที่จะดับตัณหาให้สนิทนะดับแล้วดับเลยดับแล้วไม่มีอีกดับรอบดับรอบคือดับหมดเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตัณหาเกิดขึ้นมาอีกวิธีการก็ต้องใช้ดับด้วยปัญญาลําพังดับด้วยสติเนี่ยดับชั่วคราวถ้าดับด้วยปัญญาเนี่ยจะขุดรากถอนโคนรากเง่าของความอยาก รากเง่าของความอยากคือตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันหานี้ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษเว่ากายนี้เป็นของดีของวิเศษใจนี้เป็นของดีของวิเศษ ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของกายก็เป็นของดีของวิเศษใจเป็นส่วนของนามธรรมของใจก็เป็นของดีของวิเศษก็เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของดีของวิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมั่นหมายแบบนี้อยู่ความอยากจะเกิดขึ้นอีก พอเราเห็นว่าร่างกายเราเป็นของดีนะเราก็มีความอยากอยากให้มันหนุ่มสาวอยู่นานๆอยากให้มันแข็งแรงตลอดไปนะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนะพราะมันแก่ก็อยากให้หายแก่มันเจ็บเพราอยากให้หายเจ็บนะมันจะตายก็ไม่อยากตายนะเวลาใจเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่อยากให้พลัดพรากนะแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะว่าตัวอย่างที่ผ่านเข้ามา ให้รับรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจนะหาสาระหาแก่นสารยึดถืออะไรไม่ได้ตัวตาหูจมกูกลิ้นกายใจตัวรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายนะสัมผัสทั้งหลายก็ไม่มีสาระตัวรูรปเมตนาหรือความสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้คือจิตที่เกิดทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ฟังแล้วเหมือนมีเยอะย่อๆลงมาก็คือ เห็นว่ากาย น, นี้ใจนี้เนี่ยไม่มีสาระแก่นสารถ้ามีแต่อะไรมันมีแต่ตัวทุกข์นะร่างกายมี ok, hmm. แต่ของไม่ดีเขามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความถูกบีบคั้นมีแต่การบังคับไม่ได้จิตใจก็เป็นของไม่ดีมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่การบังคับไม่ได้อย่างเราดิ้นรนแทบตายได้ความสุขมานะความสุขไม่เที่ยงอีกแล้ว จะเอาความสุขมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะ mm. ก็เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วแล้วก็ต้องดิ้นรนหาความสุขอีกหิวโหยตลอดเวลาไม่มีความสุขแท้จริง mm. ในกายในใจนี้ถ้าปัญญาเราเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะว่ากายในใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้ก็จะหมดไป งั้นความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็ขจะไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีบรรดาตัณหาทั้งหลายน ะ, ะอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกสนุกสนานทางใจหรืออยากพ้นจากรูปที่ไม่ดีพ้นจากเสียงที่ไม่ดีพ้นจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากเรื่องราวทางใจที่ไม่ดีรักเง่าของมันจริงๆมันมาจากความรักตัวเองความรักกายรักใจ อยากเห็นรูปเพื่ออะไรจะได้สบายใจอยากได้ยินเสียงก็จะได้สบายใจอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่จริงอยากสบายใจกระทั่งอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็จะได้สบายใจมีความสุขใจด้วยมันดิ้นรนทุกอย่างนะเพื่อตอบสนองความอยากทางใจของเราเนี่ยย่อๆลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกอย่างอากาศหนาว หนาวมากเราเอาผ้ามาหม่มเราต้องการอะไรต้องการให้ร่างกายมีความสุขอย่างเงี้ยนะอากาศร้อนจัดเราหนีไปอยู่ในห้องแอร์ต้องการอะไรก็ต้องการให้ร่างกายเป็นสุขนะงั้นความต้องการทั้งหลายนะทางตาหูจมกูกลิ้นแก่ใจนี้ย่อๆลงมาเนะี่ยมันคือความต้องการให้กายให้ใจเป็นสุขต้องการให้กายให้ใจพน้นทุกข์แต่ถ้าวันใดสติปัญญาของเราแก่รอบจริงๆนะเราเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่มีเพราะมันรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้พ้นทุกข์เป็นความโง่เขลาอย่างไฟเป็นของร้อนเป็นความจริงว่าไฟร้อนอยากให้ไฟไม่ร้อนนี่เป็นความเขลาของเรานะยังไงมันก็ร้อนนี่เรามาดูของจริงลงไปนะกายนี้ใจนี้นะมีแต่ตัวทุกข์ตัวร้อนนะถ้าใจยอมรับได้นะใจก็หมดความยึดถือในใกายในใจ นั่อยู่ที่การเห็นความจริงหรือการมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของาธาตุขันธ์ของอายตนะแล้วแต่จะเรียกนะแล้วแต่จะแยกตัวกายตัวใจของเราแยกออกไปเป็นขันธ์ห้าก็ได้นะจะแยกในแง่มุมของอายตนะ6กก็ได้จะแยกในแง่มุมของธาตุ8ก็ได้จะแยกในแง่มุมของอินรีย์่2ก็ได้ะ น, 4, ไดนะแยกได้หลายแบบแต่รวมความก็คือกกายกับใจรูปกับนามนี่เอง ถ้าเราเห็นความจริงเมื่อไหร่เขาเป็นตัวทุกข์ความอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้เขาเป็นสุขก็ไม่มีจะอยากให้มันเป็นสุขทําไมมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นสุขไปไม่ได้จะอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมมันเป็นทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะปัญญามันแก่รอบน้ําจะเห็นตรงนี้เลยขันห้านี้กายนี้ใจนี้นะเป็นทุกข์ความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นทุกข์มันพ้นไม่ได้นะ เราไม่ได้เด็กไร้เดียงสาของมันเป็นทุกข์ก็พยายให้มันเป็นสุขพวกเราตอนนี้ยังเป็นเด็กไร้เดียงสานะยังต้องศึกษาต้องฝึกฝนปฏิบัติวันหนึ่งถ้าเรียนจบเรียกว่าเป็นอาสีขาบุคคลเป็นคนที่ไม่ต้องเรียนแล้เรียนจบแล้วคือคนที่รู้ความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ขันห้านี้นะเป็นตรวจทุกเรียกรู้ทุกแจ่มแจ้งงั้นพยายามมารู้นะพยายามมาเรียนรู้ความจริง ถ้าเมื่อไรจิตรู้ความจริงว่าขันหานี้กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆล้วก็ความอยากจะไม่เกิดอีกเมื่อความอยากไม่มีความทุกข์ทางใจจะไม่มีความดับสนิทของทุกข์ทางใจเป็นนิโรธเป็นนิโรธความดับสนิทแห่งทุกข์ความสิ้นตัญหาความสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งนั่นคือสภาวะของสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่มีความสุขที่สุด นิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากรูปธรรมนามธรรมนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากความดิ้นรนปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากเยั้งใจเป็นอิสระมีความสุขมากเลยใจที่สัมผัสพระนิพพานเรืาอยากสัมผัสพระนิพพานนะเราก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากการจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเขาเใช้วิธีที่เรียกว่าการเจริญมรรค มากมีองแปดย่อลงมาแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญานะสัมมาทิฏฐิสัมม า, ส, มาสังกัปปะความเห็นชอบความดําริชอบเป็นส่วนของปัญญาดําริชอบก็คือดําริออกจากกามนะต้องออกจากกามถ้ายังดําริจะอยู่ในกามไม่เรียกว่าดําริชอบนะเป็นมิจฉามิจฉาเลยสังกัปปะนะมิจฉาสังกัปโปนะดําริออกจากกามดําริออกจากความพยาบาท นดำริออกจากความเบียดเบียนพยาบาทแค่เบียดเบียนต่างไงพยาบาทกับวิหิงสาพยาบาทเนี่ยมันคล้ายๆคิดร้ายกับคนอื่นนะด้วยอํานาจของโทสะวิหิงสาเนี่ยมันคิดร้ายกับคนอื่นด้วยอํานาจของโมหะยกตัวอย่างเราไปตกปลาเราเกลียดปลาไหมไปตกปลาไม่ได้เกลียดปลานะแต่เบียดเบียนปลาไหมเบียดเบียน ด้วยอํานาจของโมหะไม่รู้ผิดชอบชัวดีตัวนี้เรียกว่าวิหิงสานะยันพวกเราบางทีไม่รู้จักว่าวิหิงสาคืออะไรอ่านธรรมะแล้วก็แปลไม่ออกอีกนี่ยมันพยาบาทกับวิหิงสาเบียดเบียนอย่างเงี้ยฟังแล้วแปลยากนะดูรากเงาของมันพยาบาทมาจากโทสะนะวิหิงสานะมาจากกิเลสตัวอื่นะโดยเฉพาะตัวโมหะ ไม่รู้ผิดชอบชั่วดนะีอย่างไปล่าสัตวนะ์อยากได้สัตว์นะแต่ทําร้ายสัสวต ว, ว์ไปจีบสาวตัวเองมีเมียอยู่แล้วไปจีบสาวนี่วิหิงสานะเนีเบียดเบียนเขาทําให้เขาเป็นทุกข์ทีหลังอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานต้องละต้องเว้นทั้งหมดเลยอย่าไปตรึกในเรื่องเร็วๆแบบนั้นนะไม่ไปตรึกในกาลไม่ไปตึงในพยาบาทไม่ไปตรึกไปในวิหิงสาเบียดเบียน นี่เป็นส่วนของปัญญานะส่วนของปัญญาส่วนของศีลก็มีสัมมาวาจาก็คือศีลข้อสีสัมมากัมมันตะศีลข้อ1นึสองสนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะไม่ประพฤติผิดในกรมนะไม่มีศีลข้อ5แปลกไหมศีลมันมีสีข้อจริงๆข้อ5เป็นตัวแถมมาคือถ้าพลาดข้อ5้านะหนึ่มสีเนี้ยผิดง่ายหมดเลย ข้ขาดสติข้อหเป็นตัวที่ทําให้มีสตินะถ้ารักษาศีลข้อห้ายมีสติเมื่อมีสตินะศีลหนึ่งสองสามสีก็รักษาง่ายข้อหพลาดไปแล้วก็ขาดสติง่ายธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วนะกินเหล้ามาวยาขาดสติหนักขึ้นไปอีกผิดศีลได้ทุกข้อเลยผิดศีลง่ายขึ้นส่วนสองฝานฝึกจิตฝึกใจเรื่อสัมมาสมาธินมีสัมมาวายามะสัมมา สติสัมมาสมาธิสิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในกองของสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจตัวเองนี่ถ้าพูดให้ง่ายๆมักมีองแปดทำงางจะง่ายพวกเรามีสติไว้นะมีสติไว้รู้เท่าทันจิตใจของเราไว้เรื่อยๆกิเลสเกิดเรารู้ทันเนี่ยสีนจะเกิดขึ้นแล้วจิตฟุ้งซ่านไปจิตไหลไปเรารู้ทันสมาธิจะเกิดขึ้น พอเรามีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นก็จะได้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ที่สติไปะระลึกรู้นะที่จิตเป็นตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะนะแท้จริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุดท้ายก็จะเกิดปัญญาขึ้นมานวิธีปฏิบัติ ง่ายๆนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางนี่หลักของการเจริญปัญญารักษาศีลไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางจําได้ไหมรักษาศีลไว้นะแล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสมาธิ ก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นจิตที่มีสมาธินั่นแหละสุดท้ายปัญญาก็เกิดเงี้ยศีลสมาธิปัญญานะั้นจะส่งหนุนขึ้นไปเป็นลําดับลําดับพระพุทธรูปส่วนใหญ่จะมีฐาน3มชั้นสังเกตไหมอย่างพระสมเด็จพระอะไรนะไม่ใมีฐานสามชั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละศีลสมาธิปัญญานะศีลเป็ญญ น, ะนพื้นฐาน ถ้าเรามีศีลดีสมาธิจะเกิดง่ายถ้าผิดศีลสมาธิไม่มีจิตจะฟุง้งซ่านมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจไปปัญญาก็เกิดลกลายเป็นพุทธะเป็นพระพุทธรูปอยู่ข้างบนนี้จิตของเราจะกลายเป็นตัวพุทธะขึ้นมาจิตตอนนี้เป็นจิตมาร น, นะอย่ามาอวด น, นะว่าจิตของเราเป็นพุทธะอยู่แล้วบางคนเข้าใจคําสอนของหลวงปู่ดูลผิด หลวพูดโดนพูดเรื่องจิตคือพุทธะหรือเว้หลังวงโป้พูดถึงจิตคือพุทธะนะนั้นจิตพราอรหันต์จิตของเรามันจิตยักษ์จิตมารจิตผีจิตเปรตะไรทั้งวันแหละจิตสัตว์เดรัจฉานจิตสัตว์นรกเวลาเราจมความทุกข์เราก็เป็นจิตสัตว์นรกนั่นแหละเราไม่ใช่จิตคือพุทธะนะต้องภาวนาจนกระทั่งศีลสมาธิบริบูรณ์พุทธะอันนี้ปรากฏออกมาใจของเราจะเป็นพุทธะ เคยมีครูบาอจารย์องค์หนึ่งนะถามพระองค์หนึ่งว่าท่านเห็นไหมว่าจิตกับพระพุทธเจ้ า, าเป็นสิ่งเดียวกันก็เป็นสะิ่งเดียวกันนั่นแหละเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันด้วยสิ่งอื่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ <ral: S 2> เป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์นะเหมือนดีกับชั่วเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความเป็นไตรลักษณนะ์สุขกับทุกเนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ ดีกับชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสมอกันด้วยความบริสุทธิ์เอาไปกินข้าวไป